บางคนเนี่ยอดไม่ไหวจริงๆอดไม่ไหวจริงๆเราถึงบอกว่าเอา้าคุณไม่ไหวแล้วจริงๆฐานคุณไม่ถึงอะ่ะเพราะนั้น ค, ค, คุณก็มีครอบครัวก็มีครอบครัวแต่คุณปฏิบัติเนี่ยแหละศีลห้าได้ไหมล่ะคุณปฏิบาตศีลห้าได้คุณจะมีครอบครัวก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรก็ยอมรับฐานะของตัวเองไปแล้วก็อยู่อยู่ให้ดีให้ได้อย่างน้อยโสดาบันเราก็ทำให้ได้ก็แล้วกัน หรือบางคนพอแต่งงานไปบางทีแต่งไปไม่นานเลยนะคแต่งไปไม่กี่วันอ่ะโอ้โหรู้รสชาติเลยรู้รสชาติของกิเลสกามาตัญหาเพราะบางคนเนี่ยพอแต่งไปปับเดี๋ยวรู้พับเลยบางคนมีบา ร, รมีเก่าอยู่พอสมควรพอแต่งไปปับก็ได้แต่งงานแล้วอ่ะมีผัวมีเมียไปละพอมีปับโอ้โหลูเลยเห็นโทษภัยของการมาตัญหาเลย เห็นทุกของการเสพเมถุนไม่ใช่สุขนะของการเสพเมถุนเห็นทุกของการเสพเมถุนเห็นเลยอย่างเช่นอสุภะอะไรบัางนะที่จะเห็นเรื่องผู้ชายผู้หญิงเนี่ยธรรมายังพูดอยู่บ่อยๆพ่อท่านแล้วก็สมณะสิกขมาอะไรอื่นผู้อ ย, ยอยู่บ่อยๆหนึ่งบางทีโอ้โหนะเนื้อตัวก็เหม็นกลิ่นก็เหม็นอ่า แล้วบางทีจริตนิสัยก็ <bs> <Sab ider> เข้ากันไม่ได้ อ, อ่าหรือบางทีก็โอ้โหนะอาการที่มันเคยแบบอะไรอ่ะหลงอ่ะหลงว่ามันน่าจะเป็นความสุขอย่างนั้นน่าจะเป็นความสุขอย่างนี้พอแต่งเข้าไปจริงอ่ะเห็ <S <s นธาตุแท้ <S <s กันขึ้นมาเท่านั้นเองอู้หู <S <s เบื่อเลยอ่าคนมีบารมีอยู่มีเบื่อได้ไวนะคนไม่มีบารมีนี่ บางทีเนะี่ยพอจะเห็นบ้างเหมือนกันนะแต่ยังหวังไว้ว่าวันข้างหน้าจะดีกว่านี้ยังหวังอยู่อีกเอาเถอะหวังไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนนักเล่นการพ น, นันนะพวกเล่นหวยพวกเล่นการพนันหวังว่าคราวหน้าคงจะถูกหวังว่าคราวหน้าคงจะถูกหวังว่าคราวหน้าคงจะชนะได้เงินหวังไปเรื่อยนั่นหมดเนื้อหมดตัวไปเรื่อยหมดเนื้อหมดตัวไปเรื่อยนั่นแหละ ใครที่ไม่ค่อยมีบารมีแล้วก็ไม่ค่อยเห็นทุกข์โทษภัยของกิเลสพวกนี้ได้ชัดเจนมันหวังลงๆแม่งแรงไปเรื่อยอะไปเรื่อยไปเรื่อยก็โดนจูงไปเรื่อยลึกไปลึกไปนะหวังไปหวังมากลูกคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามเป็นโหรในที่สุดเออทุกข์หนาขึ้นไปเรื่อยๆจนคราวนี้บางทีเนี่ยอยากจะดิ้นหลุดออกมาอยากจะออกมาออกมาไม่ไหวเลยเพราะโยเยไปหมดแล้วเนี่ยแล้วก็จะทิ้งไม่รับผิดชอบยังไงอะ ก็ต้องรับผิดชอบโดนมัดมือชกไปโดยปริยายเลยคราวนี้วันใครเนี่ยรู้ตัวแล้วถอนได้ไวที่สุดเท่าไหร่ดีเท่านั้นแล้วก็ให้เห็นถึงบา ร, รมีของตัวเองที่สะสมมาแสดงว่าเออแหมเรายังเคราะห์ดีอยู่ที่เดยกป่ายัางมีฤทธิ์มีแรงเก่าที่เราเนี่ยสะสมมาทำให้มันดึงตัวเองหลุดออกมาได้ไม่อย่างั้นไม่มีแรงดึงนะ เพราะว่าอะไรเพราะใจ ม, ะมันยังจะไปเนี่ยไปติดอยู่ในการมมาคุณโดยเฉพาะสามีภรรยาเนี่ยโอ้โหติดในเรื่องของการมาคุณเนี่ยหนักเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงน่ไอ้สำนวนมันมีแต่อันบอกผู้หญิงนี่นึกของผู้ชายไม่ออกนะแต่เหมือนกันเ่ะบางทีผู้ชายบางคนก็โอ้ยเหมือนกันเลย มายอมเสียเมียให้ใครเหมือนกันหรืออะไรอ๋อเมียข่าใครอย่าแตะอ่าเพราะฉะนั้นเรื่องของเนี่ยเรื่องของการผู้ชายผู้หญิงนะจริงจริงแล้วเนี่ยหยาบที่สุดในเรื่องสามอันเนี่ยเรื่องกามเรื่องกินแล้วก็เรื่องนอนอนนันเรื่องนี้หยาบที่สุดถ้าจะว่าไปเนี่ยสกปรกที่สุดนะน่ารังเกียจที่สุดเรื่องนี้ มันถ้าใครเนี่ยเข้าใจได้รู้ได้นะแล้วคุณสะสมบา ร, รมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคุณจะเห็นด้วยตัวเองไม่ไม่ต้องให้สมณะหรือว่านักบวชมาเทพมาสอนเลยถ้าคุณปฏิบัติธรรมไปน น, นะต่อใหไ้ไม่มีใครสอนเนี่ยแต่คุณจะเห็นได้ด ย, ด, ยด้วยตัวเองเลยว่าโอ้โหมันไม่น่าอภิรมย์ตรงไหนเลยไอ้ที่เรารู้สึกยินดีพอใจอภิรมย์เนี่ยโดนหลอกทั้งสิ้นเลย หลอกจากหนังละครทีวีโทรทัศน์ไอ้หนังสือหนังหาอะไรต่างๆมันหลอกให้เราสร้างอุปทานว่าแหมมันมีความสุขมันน่ายินดีน่าพอใจอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งๆที่ความจริงไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยขอยืนยันว่าไม่ใช่อย่างนั้นเลยแต่เราโดนหลอกนะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้ารู้ได้พยายามนะศึกษาธรรมะแล้วก็หัดจับจิตตัวเองจับอารมณ์ตัวเองให้ดี แล้วจะเห็นทุกโทษภัยองกิเลทวกทววกุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทากทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทากท้กทุงทุงกทุกทรรุงทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทากทุก ว, า, ร า, รก า, วามทุกาท า, ากทุกทุกท้กทุกทุกทุกทเกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกจ้าทุกทุกปแล้ว เรื่องของผู้ชายผู้หญิงเป็นไงตัวที่หนึ่งผู้ชายผู้หญิงกิเลสดูดเนี่ยแก้ด้วยอะไรก่อนไม่เห็นได้เป็นดีไม่เห็นกันได้เนี่ยเป็นดีอพระอดทนถามพระผู้เเจ้าว่าจะทํายังไงอถ้าเรารู้ว่าโอ้โหนี่มันจะดูดกันนะเอาไม่เห็นกันได้อเป็นดีการไม่เห็นกันได้นะ่ะคือความชนะ การที่โดนดุก็ไปหากันคือความแพ้วันพยายามเลยดูสิเราจะได้ดูจิตดูใจแล้วเดี๋ยวโอ้โหมีกําลังที่จะฝืนที่จะอะลดละกิเลสตัวนี้ลงได้บ้างไหมมันจะเห็นเห็นชัดที่ตัวเองวันพลากให้ห่างเลยถ้าห่างไม่ได้เป็นไงจําเป็นต้องเจอกันอ่าพยายามไม่ไปพูดด้วยเป็นดี แต่ต้องทำมาไอ้นั่นเลยนะคือไม่ไปเห็นด้วยคำว่าไม่ไปเห็นด้วยเนี่ยบางทีทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยใช่ไหมมันก็มันก็ต้องเห็นกันแต่คำว่าเห็นกันเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าก็เลยเที่ยวไปมองเที่ยวไปดูเที่ยวไปสอดส่องสอดแหนมอะไรต่างนั่นไม่ใช่คำว่ามันจาเป็นต้องเห็นเนี่ยมันก็มองไปตามที่จำเป็นที่ว่าอ้าวบางทีเนี่ย เขาเดินมาเราเดินไปเนี่ไม่งั้นเดี๋ยวก็ชนกันแหลกเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันบ้างนะว่าว่าเออเออเออันนี้เขาเดินมาเราเดินไปอย่างนี้อ้าวไอ้อย่างนี้คือคือเห็นแบบธรรมดาเนี่ยนะไม่ใช่เห็นแบบว่าคราวนี้เลยมันต้องเห็นกันก็เลยมองซะเลยนะจดจดจ้องจ้องมองเอามองเอาเพียงแต่เราไม่พูดไม่ใช่วพราะแม้ทํางานด้วยกันเนี่ยแต่เออไม่ได้ไปคอยมองดูเขา วนะ่าตอนนี้เดินถึงเสาต้นที่เท่าไหร่แล้วนะไม่ต้องไปคอยมองไม่ต้องไปคอยสังเกตจริงจริงอาตมาเนี่ยแต่ก่อนก็ ก, ก็มีกิเลสพวกนี้เหมือนกันแหละบางทีไปเดินผ่านหน้าบ้านเขาคนที่เราสนใจคนที่เราชอบมันต้องมองเขาไปทุกที ấy, เขาอยู่ว่าวาก็อยู่ว้าวา้องคอยมองเขาไปทุกทีเป็นอย่างนั้นนะ่ะ ว่าเรารู้แล้วเนี่ยก็คือว่าเดินผ่านก็เดินผ่านไปเลยคือไม่ต้องมองเข้าไปไม่ต้องไปมองหาไม่ต้องไปมองสแสวงหานั้นะเรามองไปแบบปกติแบบธรรมดาที่เราทํางานทําการเราพบเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยโดยธรรมดานะัอันนี้คือไม่มองแต่พอจําเป็นต้องเห็นกันก็เห็นแบบธรรมดานะอย่าไปปรุงอย่าไปพิจารณาแหมอย่างนั้นอย่างนี้อะไรไม่ต้องตอนนี้ เบนสายตาเลยนะอย่าใหเา้เขาเข้ามาในวิถีวิถีเลด้าของเรานะเราจะต้องพยายามหักเบนออกมาเสร็จแล้วตอนนี้ไม่พูดด้วยก็ต้องไม่พูดด้วยจริงๆต้องพยายามเพราะใจมันอยากจะพูดนะมันอยากจะพูดด้วยนี่นี่คือกิเลส ท, ที่มันเกิดขึ้นนี้เราพอรู้แล้วพยายามหัดบังคับหัดฝืนใจเอ้ยไม่พูดด้วยไม่พูดด้วย ต้องสู้จริงๆนะใครสู้ไม่ได้เนี่ยมันก็อดไม่ได้มันก็ต้องเข้าไปพูดอ่าแต่ตอนนี้ถ้าจาเป็นต้องพูดเป็นไงอ่ต้องตั้งสติดีๆมันจาเป็นต้องพูดแล้วแหละหลบก็หลบไม่พ้นต้องเจอแล้วพูดก็เลี่ยงไม่พ้นแล้วต้องพูดละแต่พูดยังมีสติคำว่าพูดยังมีสติเนี่ยคือพูดอย่างระมัดระวัง อย่าไปพูดด้วยด้วยกิเลสกามที่เรามีอยู่เนี่ยออกไปเพราะมันจะแพร่ออกไปเรื่อยนะถ้าเรามีตัวเชื้อกรรมตัวพวกพวกนี้อยู่ไม่ต้องอื่นไกลยังเคยพูดเล่นๆอยู่บ่อยๆเลยบอกว่ า, าสังเกตไหมแหมพอเวลาพูดกับคนที่เราชอบนี่แหมชักจะเสียนซ อ, ซอฟซอตรีเกินนะั้นุ่มนวนแล้วเกินนะแหมพูดกับคนอื่นบางทีอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ย บอกพูดกับคนที่ชอบซอฟลีเลิฟเลยนะรักนุ่มนวนลเหลือเกินเอย่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่านี่ ย, ยแค่ซุ่มเสียงเองแต่ตอนนี้มันไม่แค่ซุ่มเสียงกันวสิมันอยากจะพูดยาวๆมันอยากจะพูดนานๆพูดจนจากจากดวงอาทิตย์ขึ้นจนดวงอาทิตย์ตกมืดตื้อแล้วก็ไม่เปิดไฟก็พูดอยู่อย่างนั้นไง พูดได้มันมีจิตยินดียินดีในเรื่องของกามเนี่ยแหละมีจิตยินดีมันมีจิตพอใจนะโอ๊ยคุณพูดไปทั้งวันทั้งคืนคุณก็อยากจะอยู่ใกล้ชิดอยากจะพูดด้วยวันถ้ารู้ถึงบอกพูดให้สั้นที่สุดพูดให้น้อยที่สุดวันภิกษูเนี่ยถึงได้มีวินัยที่ห้ามมาไว้ว่าอะไรพูดกับมาตุคาม พ, พูดแสดงธรรมกับมาตุคามไม่เกินกว่า หกคำความดูเขาแปลดูเขาแปลเอาหกคำเลยแต่ของเรา เ, เราแปลเอาหกคำความผู้เจ้าดูสิเนี่ยตัดชั่วเลย ค, คุณคิดดูไม่ให้เกินหกคำความเลยนะเพราะฉะนั้น <c oughs> อันนี้อตอนนี้เราเองแม้เป็นเนี่ยพวกคุณจะเป็นคารวาสก็ตามเป็นไปได้คุณก็พยายามนะยิ่งรู้ว่าเราเนี่ยไปสนใจใครหรือว่าไป พึงพอใจใครเข้าขาพยายามไม่พูดได้อะเป็นดีนะั่คำว่าตั้งสติก็คือว่ารู้ตัวอยู่เสมอว่าเอเอเอออนะอย่าให้ปล่อยใจหรือปรุงใจไปกับความยินดีความชอบคนนี้ น, นี่กำลังพูดในชีวิตประจำวันแล้วนะเสร็จแล้วทั้งหมดนี่ คุณพยายามฝืนใจแล้วคุณพยายามสู้กับกิเลสการมมาตัญหาแต่ไม่ใช่สู้แบบเก็บกฎคุณจําไว้เสมอเลย น, นี้คราวนี้คุณจะต้องหาเวลามาศึกษาเนี่ยเรื่องของอสุภะนิมิตเรื่องของวิธีแก้จิตที่จะทำจ ะ, จะทำให้เราไปยินดีไปพอใจเนี่ ย, ยจะแก้จิตพวกนี้ยังไงแก้โดยอสุภะความสกโกรกความหน้ารังเกียจจะวิปัสสนาจะคิดยังไง นะจะดึกยังไงที่ให้เห็นไอ้ค้านแย้งกับไอ้ไอ้กามาคุณเนี่ยนะจนกระทั่งเราเห็นเป็นการมาโทษได้เนี่ยคุณจะค้านแย้งยังไงจนกระทั่งเออไอต้ตาช่างนี้ชัดชักไม่ใช่ไปเอียงในด้านกามาคุณละมันชัดลดกามาคุณได้แล้วมันเห็นโทษของการเนี่ยได้มากขึ้นคุณถึงจะเบาบางได้นะถ้าไม่อย่างนั้นนี่นะถ้าคุณเห็นโทษของกามไม่ได้ คุณ ข, ของกลามจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีเท่าเดิมบอกแล้วไม่มีเท่าเดิมมันมีแต่ไม่เพิ่มขึ้นก็ลดลงมีแค่นั้นนะอันนี้เรื่องของผู้ชายผู้หญิงไ ม, ไม่รู้กี่ทุ่มกี่ยามนะฮะเออเลิกไม่เกินสองทุ่มนะอ่ะตอนนี้อันนั้นเป็นข้อที่หนึ่ง น, น, นมาพูดไปมากขนาดนึงแล้ว นะคุณจะตั้งศีลคุณจะตั้งตาบะอะไรก็ได้ที่จะงดเว้นอันนั้นเป็นกามผู้ชายผู้หญิงคราวนี้มาพูดข้อที่2กามในเรื่องของอาหารความยินดีพอใจในอาหารก็ยังเป็นกามกินมากกินของที่ถูกใจกินของที่ชอบใจอย่างไรไม่ชอบไม่กินนะคนนั้นก็ยังสะสม การตามใจตัวเองการสมใจตัวเองกามากุห้ามีอะไรบ้างรูปรสกลิน่นเสียงสัมผัสอาหารมีอะไรอยู่บ้างพ่อท่านพูดอยู่บ่อยๆเอารูปรสกลิ่นสัมผัสเฮเสียงมีไหมเสียงดังฉูฉี่ดังอะไรเหรอ อ้าวแต่ให้เห็นเห็นหั้มมันยังมีกรารมคุณอยู่ในอาหาราข้ข่าวนี้บอกแล้วว่าถ้าตาบใดเนี่ยใครติดอาหารแล้วยังมีกรารมคุณการมคุณสีก็ตามจะต้องว่าตัดเสียงออกนะการมัคุนสีก็ตามทุกวันนี้เสียงอาหารน่มันไม่มีหรอกแต่เขาใช้อะไรเขาใช้เพลงเขาใช้ดนตรีใช้อะไรมาเคล้าอาหารให้คุณกินแล้วก็ กินเข้าอาหารน่าเขาเอาอันนั้นยัดใส่หูคุณเลยนะให้คุณกินแหเข้าเสียงเพลงไงเข า, เากินเข้าเสียงเพลงใช่ไหมเนี่ยมันเขายังไงเขาจะให้คุณครบกรรมคุณท่าให้ได้เพราะอาหารร้านดนตรีรไอ้านอาหารต่างๆมันถึงทุกวันนี้มันแทบจะต้องมีดนตรีเข้าไปประกอบอยู่ด้วยเพราะมันเป็นเครื่องปรุงรสอย่างหนึ่งที่จะให้คนเนี่ย ติดการกินอาหาร อ, าอร่อยยิ่งขึ้นวันนี้อาหารนะเราก็ต้องมาฝึกรู้ให้ทันมันแล้วก็ลดให้ได้เรื่องอาหารนี่พูดไปบ่อยน่าจะมีอยู่โดยสองอย่างใหญ่ๆนะคือหนึ่งเรื่องของปริมาณสองเรื่องของรสชาติที่จะเป็นสองส่วนใ ห, ใหญ่ในเรื่องของอาหารเพราะอะไร ถ้าเรายินดีในอาหารนั้นปริมาณจะเป็นไงจะชอบปริมาณมากเพราะว่าต้องการสะใจต้องการสมใจท้องแตกตายไม่ว่าขอให้ได้กินเอะนะปริมาณส่วนรสชาติก็คือต้องอริดอร่อยถูกปากถูกใจตัวเองเพราะเนี่ยสองอันใหญ่ๆนี้ที่ที่ที่จะ จะมีปัญหาในเรื่องของของอาหารอันนี้พอมาฝึกเรารู้แล้วนี่เรารู้แล้วว่าจะต้องเห็นเป็นอสุภานิมิตให้ได้คราวนี้เป็นยังไงโอ้โหให้คุณไปพิจารณาสมมุติว่าชอบชอบกินอะไรก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรอ่ะก๋วยก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยกย๋วยเตี๋ยวลูกชิน้น เขามีลูกชิ้นเหลือตรงเนี้ยอ่าเอาก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นอุลุชิ้นลูกชิ้นเจนเนี่ยแหละนะอ่าตอนี้เรารู้แล้วนะว่าเราชอบก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นถามคุณหน่อยฮ้ไอ้ไอ้ไอ้กามขคุณเนี่ยคือคุณของตามที่เราคิดว่าแม้อร่ออร่อยโอ้กินแล้วมีความสุขมีความยินดีมีความพอใจเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างนี้เนี่ยนะมันฝังอยู่ในจิตคุณไปเบอลอละเยอะละ ใช่ไหมเพราะถ้ามันมีมากอยู่แล้วนะเสร็จแล้วก็นี้ให้คุณไปพิจารณาอก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนี่ให้เห็นเป็นกามาโทษให้เห็นเป็นโทษของกามนะว่าโอ้โหเนี่ยกินไปแล้วเนี่ยมันจะมีโทษมันจะมีภัยมันจะไม่น่าดูไม่น่ากินยังไงบ้างเนี่ยคุณจะพิจารณาออกมั้งไหมเนี่ยฮะเช่น ไหนลองยกตัวอย่างที่จะพิจารณาไงเช่นเนี่ยเนี่กว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนี่ยเช่นฮะย่อยยากเหรอโอโ้โหย่อยย่อยยากมันยากตรงไหนอ่ะฮะมันเป็นชินช้นๆเนาะฮะลูกชิ้นใช่ไหมล่ะอ่ามันย่อยยากเพราะอะไรเพราะ มันยิ่งอร่อยแล้ยิบยิ่งเออยิ่งไม่ค่อยเคี้ยวไงเขี้ยวน้อยน้อยครั้งแล้รีบกืนรีบกืนอ่าอ่าถ้าคุณพิจารณาต่อไปให้มันชัดเนี่ยนะคุณจะเห็นว่าเออใช่เนี่ยเดี๋ยวยิ่งทําให้กระเพาะเราไม่ดีอ่าใช่ไหมล่ะเพราะว่ารีบเคี้ยวรีบกืนเผลอเผอก้อนโตหน่อยอาจจะจุกคอหอยกุนตายก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพิจารณาโทษของมอันอ่านี่และอย่างอื่นอีกไหนลองช่วยพิจารณาอีกสิ อ่าอันนี้ก็ไม่ใช่เส้นกล่องเดี๋ยนะอันนี้เส้นขาวเถิดนะไปฟ อ, อกมาอ่าไปฟ อ, อกมามีสารเคมีอ่าหรือบางทีไม่รู้เขาจะใส่สารอะไรลงไปการบูดจารเบิดการเบี้ยวอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอ่าเนี่ยพิจนาให้เห็นโทษเป็นข้อพิโก้ไม่ปลอดภัยไม่น่าจะกินนะหรือไปกินทั่วๆไปอาจจะมีผงชุนรสมีสารไออะไรอะ่ะ ให้เราอยากสารอร่ออร่อยผงชุรสพวกนี้เนี่ยเนี่ยพิจารณาโทษอ้าวพิจารณาอะไรออกได้อี ก, กแพงเอออ้าวแพงนะอู้กินอย่างอื่นไม่เห็นจะต้องแพงอย่างนี้เลยนะโหกินในนี่กับอะไรโยตาใช่ไหมเจวีอูหูแพงแพงทั้งนั้นเลย กินก็ไม่อิ่มมัมันแพงใช่ไหมเราซื้อในราคาเท่ากันเนี่ยไอ้นั่นกินอิ่มไปแล้วไอ้นี่ยังกินไม่อิ่มเลยอ่าเนี่ยเนี่ยพิจารณาถึงถึงการมโทษต่างๆอ่าอะไรอีกช่วยพิจารา <c oughs> กินง่ายทายแสบเหรอหมายความว่าแหมเราติดอะไรอร่อยแล้วก็ใส่เครื่องปรุงใส่พริกป่นใส่อะไรต่ออะไรใช่ไหม โอ้โหทำให้แสบหลายนะกินเข้าไปก็เป็นอันตรายต่อลิสสีดวงทวาร น, นั่นแหละนเนี่ยเนี่ยก็ยกตัวอย่างเนี่ยแต่คุณต้องไปพิจารณาจริงๆถ้าคุณพิจารณาเล่นๆ น, นะมันไม่ได้ยานปัญญาเนี่ยคุณอาจจะได้ฟังอย่างนี้แหละบอกไปคุณก็พอนึกออกการนึกออกเนี่ย หรือคุณจําได้ดือดที่พูดไปนี่คุณจําได้แต่มันไม่ได้เป็นญาณไงมันไม่ได้เป็นความรู้จริงไม่ได้เป็นความรู้ที่ที่เราเนี่ยรู้แจ้งเห็นจริงด้วยด้วยตัวเราเองเพียงแต่เราฟังฟังมาแต่มันไม่เข้าถึงจิตไงมันไม่แทงใจเราที่ทําให้เราเนี่ยเห็นเป็นโทษเห็นเป็นภัยจริงๆเพราะบางคนนะรู้ฟังประโยชน์มันอย่างนี้ฟังโทษมันอย่างนี้รู้ แพอถึงเวลาก็กินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่ล่ําไปเพราะนั้นอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้วิชาสามไม่ได้วิชาสามเพราะใครจะได้วิชาสามต้องเกิดยานยานคือการพิจารณาจนเข้าถึงความเป็นจริงแล้วก็ปฏิบัติเลยแล้วก็หัดงดหัดเว้นเรารู้แล้วว่าโอ้เราติดก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนี่มากเลยหัดงดหัดเว้น โดยที่อัตมา ก, ก็เคยบอกไวว่าลองหัด ง, งดเว้นบางทีเนี่ยอดทีเดียวเลยไม่กินเลยโอ้โหจะตายยังรู้สึกว่าอดอย่างนงั้นไม่ได้นาสายปัญญาส่วนใหญ่สายปัญญาให้อดทีเดียวเลยไม่ไหวเพราะเจโตอ่อนอันนี้หมายถึงว่าสายปัญญาที่เจโตอ่อนนะเพราะนั้นเมื่อเจโตอ่อนเนี่ยโอ้โหอดเลยไม่ได้อยังไงก็ขอขอบางเถอะแต่ลดลงมาคราวนี้ก็เลย อะไรอาจจะเคยปรุงรสชาติให้มันอริดริอร่อยอย่างงั้นอย่างนี้อาจจะกินโดยไม่ต้องปรุงหรือปรุงอ่อนๆมากๆให้มันจางๆมากๆนะแล้วก็กินเหมือนกับฝึกที่เขาฝึกบอกว่าเอาอาหารมาคุกเข้ากันหรือว่าแทนที่จะกินก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเอามาคุกกับอย่างอื่นนะให้มันปมปนเปรย์มากแล้วก็กินเนี่ยทำลายรูปโฉมมันบ้าง เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกินอเรเด็อร่อยแต่อย่างนั้นอย่างนี้คุณยังได้กินแต่คุณทําลายรูปโฉมโนมพันมันนะรสชาติมันอย่าให้สะใจอย่าให้สมใจถ้าคุณทำอย่างนี้ได้เออคุณเริ่มกิเลสลดลงบ้างนะต้องฝืนใจตัวเองแต่คุณกําลังสู้กับกิเลสแล้วเนี่ยต้องฝึกหรือบางทีพอจะไหวก็หัดงดหัดเว้น ไม่กินอันนี้เราติดเราลุล้ละโอ้โหแล้วเห็นเห็นที่สําคัญคนนี้เห็นทุกขของการติดว่าโอโ้โหมันโหยหามันอะไรอาวรมันเลื้อยแกร้องบางทีนอนหลับแล้วยังฝันเลยนะฝันถึงบางคนนะอ่ะอุตสาตั้งตบ่าแล้วนะั่งงดเว้นแล้วนะไม่กินนะแต่พอหลับนี่โอ้โหกินใหญ่เลยอะ <c oughs> กินตอนหลับ <c oughs> เพราะว่าตอนกลางวันนี่สู้เต็มที่เลย สติมันเต็มใช่ไหมะพอสู้ไหวแต่พอหลับเนี่ยนะสติไม่เต็มแล้วนะคราวนี้กินตะบีตะวันโอ้เอาให้สมอยากเอาในฝันเว่าคุณไม่เก่งคุณคุมไม่ได้ลนะเพราะหลายคนเนี่ยตั้งกลางวันแล้วสู้ได้แต่ไปแพ้ในจิตเนี่ยตอ น, นคืนเพราะบอกแล้วว่าจริงๆมันเล่นงานเราตลอดเวลามันไม่มันไม่เว้นแม้ยามหลับแล้วก็ยามตื่นนะมันเล่นงานเราตลอดเวลา มันทุกโทษภัยมันเนี่ยโอ้โหมันเอาเราทั้งวันทั้งคืนเลยเดียมันไม่ยอมให้เราว่างเว้นเลยนะไอ้กิเลสพวกเนี้เพียงแต่ว่าเรามีสติตอนกลางวันมันก็พอรุ้นพอสู้กับมันได้นั้นตอนคืนเนี่ยคนที่นอนโดยที่ไม่ฝึกสติด้วยมันเล่นคุณเลยตอนคืนนะอ้าวอันนี้ผู้ให้ฟังวิธีที่เราจะสู้กับเรื่องอาหารเพราะเนี่ยหัดให้มันเบาบางลงนะ ลดปริมาณลงมาลดจํานวนลงมาลดลดชาติมันลงมานี่เป็นการฝึกที่จะสู้กับกิเลสเรื่องของการกินอ่านะแล้วก็เห็นโทษภัยของสิ่งที่เราไปหลงติดอร่อยนั้นให้ได้จนกระทั่งมาถึงสุดท้ายการมในเรื่องของการนอนการนอนเนี่ยหรือการติดสบายก็เหมือนกันการติดขี้เกียจอะไรพวกนี้อยู่ในการนอนทั้งสิ้น บางคนไม่ได้ไปนอนแต่ก็สบายไม่ทำอะไรแต่ไม่หลับไม่นอนแล้วนะไปทำอะไรที่มันตามชอบใจโดยเองอะ่ะนะขี้เกียจไม่ไปทำในสิ่งที่ควรจะทำแต่ไปทำอะไรอิเลกเกะขาอะไรที่มันไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์อันนั้นนะ่ะมันอยู่ในข่ายของการนอนด้วยเหมือนกันวันศีล8ดเนี่ยคุณถึงสังเกตไหมศีลแปดนี่เริ่มมี เรื่องของการนอนเข้าไปเกี่ยวข้องศีล5ที่ยังไม่มีแต่พอขึ้นศีล8ปับ๊บเรื่องกินเรื่องนอนเข้ามาเลยเรื่องกินเรื่องนอนเข้ามาเกี่ยวข้องกับศีล8ทันทีเพราะว่ามันเริ่มละเอียดขึ้นเพราะฉนศีลห้าเนี่ยเห็นไหมเรื่องของกายเรื่องของกามในเรื่องของผู้ชายผู้หญิงศีล5มีเห็นไหมกำกับไว้แต่พอขึ้นศีลแปปับ๊บ เรื่องกินเรื่องนอนตามมาเลยนะข้อที่หกกับข้อที่ข้อที่แปดตามมาควบคุมทันทีเลยให้ฝึกแล้วเราจะต้องฝึกในศีล8ปอ่ใน 8, ในศีลหเรื่องของการกินให้กินเป็นมือเป็นคราวแล้วหัดและอย่าไปกินจุบจิบอย่าไปกินเนลียยราด เหมือนกันเรื่องของการนอนอย่าไปนอนจุดจิบอย่าไปนอนเรียลาดนอนให้เป็นมือเป็นคราว <c oughs> นอนวันละสามมือเลยเหรอ <c oughs> คนแก่ส่วนใหญ่จะนอนสองมือ <c oughs> ใช่ไหมคนแก่ส่วนใหญ่นะก็จะนอนสองมือคนหนุ่นสาวนี่หรือโดยทั่วๆไปเออมีคนแก่กับเด็กอะที่นอนมากกว่าสองมือ อใช่ไหมแต่ว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยไม่รู้นะจะดับอายุตั้งแต่เท่าไหร่มาไม่รู้ล่ะแต่ว่าเริ่มมีสุขภาพที่มันแข็งแรงเป็นไปได้เนี่ยช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่ควรฝึกนอนมือเดียวอย่าไปนอนจุบจิบอย่าไปนอนหลายมือ้อหัดให้ได้มันกลับเป็นความสมบูรณ์นะเป็นความแข็งแรงนะ อ, อมันจะกลับกันเลยเพราะร่างกายเนี่ยก็จะสมบูรณ์แข็งแรงโดยเฉพาะจิตใจจะยิ่งสมบูรณ์แข็งแรงการไปนอนจุบจิบเนี่ยมันทําให้ไม่แข็งแรงถีนมิทาก็เข้าง่ายจิตไม่แข็งแรงจิตมีถีนมิทะจิตไปแข็งแรงอะไรล่ะไปนั่งที่ไหนก็เคารพทาอยู่เรื่อยอะโงกง่วงอยู่เล ย, ย, เลยขึ้นรถคันไหนก็คอห้อยทุกทีอะ่ะ นะยิ่งรถเปิดประทุนลมพัดมาเย็นๆเรียบร้อยเลยหรือว่าติดแอร์เย็นๆพวกเราอ่ะนะเดี๋ยวก็ซบไหลคนนั้นทีซบไหลคนนี้ทีเป็นอยู่ล่ําไปเลยต้องระวังยิงขนาดพวกอาตมาเองก็เหอนนะโอ้โหขึ้นรถนี่ไม่ได้เราต้องระวังมายังก็ต้องคอยระวังอยู่เรื่อยเลยเพราะไม่ระวังมันไปยิงๆอ่ะยิ่งยิ่ ง, งมันไม่อยากปรุงอะไรอ่ะ อันรานยจริงๆนะถ้าไปไหนแบบมันไม่ได้คือเราตัดเรื่องพบของการงานเรื่องของอะไรทิ้งเนี่ยไปไหนนี่นะมันหัวว่างๆไปเลยนะคุณหัวสมองโลงๆว่างๆไปโอ้ยมันมันจะพักลูกเดียวเลยอ่ะมันตัดปล่อยไปเลยมันปล่อยสบายๆเนี่ยนี่แหละเนี่ยปล่อยสบายๆเนีย่ยนั่นเนี่ยสินข้อแปดเนี่ยมันจะปล่อยสบายๆ เดี๋ยวก็ลงถีนามิทะไอส้สบายสบายตอนแรกยังยังมีสติอยู่มันยังไม่ลงนะยังไม่ลงบาดาลแต่พอมันสบายสบายไปสักแป๊บหนึ่งแล้วมันเริ่มละมันเริ่มลงต่ำกว่าไอ้ที่สติจะมีอยู่ได้แล้ว